เห็นพระพุทธรูปเราปลื้มใจนล้มีถือว่ามีสติเหมือนกันแต่ว่าไม่พ้นทุกข์หรอกอะพ้นทุกข์ได้จริงๆสติต้องรู้รูปรู้นามต้องมาเรียนรู้ตัวเองให้ได้รู้กายรู้ใจสติรู้กายรู้ใจเป็นของสำคัญที่สุดเลยส่วนตัวสัมปชัญญะเป็นปัญญาเบื้องต้นทำให้เรารู้จักจำแนกแยกแยะ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 เป็นปฏิกูลนะก็เข้าไปอยู่กรรมฐานสี่สบได้หรือพระองค์หนึ่งนั่งดูดอกบัวนะนั่งดูดอกบัวแดงแดอกบัวเหียวไปไปนั่งดูดอกบัวไม่อยู่ในกรรมฐานสีสแต่อนุโลมได้ไหมได้เป็นกระสินสีได้ไปดูรูปที่สวยๆดูแลใจมัชอบอนะไรอย่างนี้